องทำแล้วครับองธรรมะแล้วความรู้ที่เยาวชายเรียนรู้จากครูในศาสตร์ทั้งสิปสาขาโหราศาสตร์ยุทธศาสตร์แพทยศาสตร์ด น, ดร น, นตรีเห็นได้ชัดว่าหลวงทง่านน้นสันทัศ์ดนตรีมากโดยเฉพาะเครื่องสายครับแต่ถามผมมารู้ได้ยงไงสู่รู้ได้ยังไงว่าท่านมันมีที่มาครับตามพระคมทีที่เรียกว่าระดิศสวิตระครับ การเลืงเล่นของของพระเจ้าที่จริงคำทีนี้เราเทรวาสไม่ค่อยคุ้นเคยครับเราว่าพระเจ้าทรงสันทัศน์การดีดเครื่องสาย ส, สังคีตหรือที่ชาวเนปาลในวันนี้เรียกสลังมีสลังทีนะครับสังคีตนั่นเองครับเครื่องที่ไผ่เลาะและทักษะในดนตรีขององค์ท่านนั่นเองต่อมาที่ย้อนมาเปิดประตูความเป็นกลางกลางเข้าสู่วิถีชีวิต ทีเรียกวมัดเชนนะครับเมื่อท่านทรมานพระองค์จวนเจียนจะขาดใจนะครับท่านในนั้นประสบการณ์ทักษะทางเครื่องสังฆีได้ร้าวรึกขึ้นว่าถ้าขึ้นสายตึงเกินไปเพลงจะไม่ไพเราะหย่อนเกินไปจะไม่ไพเราะตามธรรมดานั่นเปนดนตรีเท่านั้นครับจึงจะมีประสบการณ์แบบ น, นี้คนทั่วไปจะไม่รู้ครับถึงรู้ก็รู้ไม่ซึงรู้ไม่จริงแต่นั้นดนตรีจะรู้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันและเมื่อขึ้นสายได้ถูก มันจะแสดงความไพเราะของมันตามตามลักษณะเฉพาะของมันไวอลินก็เพราะอย่างไวอลินกีต้าร์ก็เพราะอย่างกีตาร์เครื่องสีก็เพราะอย่างเครื่องสี น, นั้นประสบการณ์ของการสั่งสมที่เรียกว่าสั่งสมบารมีต่างๆที่จริงพวกเราก็เหมือนกับพระเจ้าครับเราสั่งสมบารมีแต่ว่ามันเี้ยวเป็นเบี้ยวก็วแตก <laughs> บางครั้งเราอดทนได้แต่คำอยาบช้าของเพื่อนบางครั้งเราก็ซัด ก, กลับไปแรงๆก็สูญเสียสูญสิ้นบารมีไปอีกจริงเป็นเรื่องจริงเนะื้อผมไม่ได้พูดให้ให้ให้ใหลงผิดชีวิตคือการสั่งสมบารมีแต่ว่าเมื่อไม่รู้ตัวว่าเกิดมาเพื่อสั่งสมบารมีเราก็ทําลายบารมีตัวเองไปทุกๆวันรวมทั้งทำลายคนอื่นเพราะชี้นิ้วดา่าเพื่อนทีหนึ่งบารมีก็หวกลงไปถ้าไปถามชาวบ้านทางเหนือนะครับ ถามว่าชีวิตนีมีเพื่ออะไรเขาจะตอบคล้ายๆกันเมีอาจารย์นังเก่งใหม่ก็เคยสุ่มตัวอย่างถามพวกอุ้ยต่างๆทางเหนือเาเขาบอกว่าเกิดมาแล้วเพื่อสั่งสมบารมีไงก็ตอบจงเผงเลยครับแล้วถูกตามที่พุทธศาสนกชนที่ดีจะตอบม่นว่าบารมีนั้นจะกินความรวมไปถึงผลหลังปางก่อนซึ่งเป็นเรื่องรู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่อาจไปเสด็ได้หรือบารมีตั้งแต่ช่วงชีวิตที่เกิด หรือก่อนหน้าความเกิดและบารมีนี้ไปถึงที่สุดเอาวันที่จะเกิดกลายกลับฉับลังสำหรับพระเจ้านะครับมีเรื่องต้องพิจารณาว่าประสบการณ์ของการสั่งสมแบบกรด้าดได้นำทางท่านมาจนมันนั่งใต้ต้นโพความรู้ที่สั่งสมนั้นบางครั้งบางประการนั้นเกิดจากครูเช่นอุทะกะอาราร หรือครูที่เป็นครูสอนดนตรีหรือศิลปศาสตร์ของท่านหรือยุทธศาสตรส์หรือการปกครองแต่ความรู้เหล่านั้นมาจบสิ้นหักแหลกลงที่ใต้ต้นผมถ้าว่ามันยังไม่หักแหลกถ้าว่าเจ้าชายในวินาทีสุดท้ายที่ใต้ต้นผมนั้นยังหยิบยืมความรู้ประสบการณ์ชั้นสองประสบการณ์ของผู้อื่นอยู่การจัดสรุปจะไม่เกิดขึ้นการจัดสรุปนั้นตามคำวระแจงผมนั้น ไม่ใช่ความรู้ที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นนี่แต่เราสำรวจเดี๋ยนี้เรามีความทรงจําความรู้ทั้งหมดในละมาตุกคนี่เองครับดังนั้นเราแต่ละคนเป็นหนี้พระคุณซึ่งกันและกันไม่ใช่ร่วมยุคแต่เป็นหนี้บับพติชนของเราด้วยแล้วคนรุ่นหน้าก็จะเป็นหนี้พวกเราด้วยในเรื่องความรู้ร่วมกันซึ่งหยิบยืมกันไปกันมาคําพูดที่ผมพูดนี้ภาษาที่ผมเอ่ยอยู่นี้ก็ยืมมาจากพ่อจากแม่จากครูภาษาอังกฤษก็ครูก็คือฝรั่ง ความรู้ในประคัมภี์ก็อาจารย์บ้างไตรบิดดกบ้างตรรราบ้างนักวิทยาศาสตร์บ้างลวนแล้วแต่ทําให้เราค่อยๆหล่อหลอมสั่งสมแบบกแระดุลขึ้นมาแต่ตราบใดที่ความรู้เหล่านี้จับตัวไว้ความรู้แจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ชีวิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับก็ดังนั้นเจ้าตัวดักแด่ตัวนี้ไม่อาจพัฒนาจนเป็นดักแด่ที่สมบูรณ์ในคราบของดักแด้อีกเลย มันต้องพัฒนาไปถึงจุดซึ่งหักแหลกลงเกิดการกลายกลับฉับพลันขึ้นครับดังที่พระเจ้าท่านเป็นวันที่พระเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นมะสีมหาโพนั้นนะครับทรงร้องอุทานถ้อยคําถึงการกลายกลับฉับพลันของท่านนะชาติสินส้นแล้วภพสิ้นแล้วชาติใหม่ไม่ได้มีนี่การหักแหลกลงแล้วคำว่าชาติไม่ได้หมายถึงนี่อีความคิดเล่นๆนะฮะชาติสิ้นแล้ว การเกิดใหม่ท่านเกิดใหม่แล้วนะมีการเกิดใหม่ขึ้นมาหมายความว่าสิ่งเก่าได้สิ้นซากลงต่ตอจากนั้นองค์ท่านได้เปลี่ยนสรรนามเรียกตัวเองเป็นบุรุษที่สามรเรียกตัวเองว่าอันว่าพระตถาคนทั้งหลายเป็นพรณนัมเบอร์ด้วยครับคือท่านเรียกตัวเองในนามของทุกๆชีวิตเลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดเลยครับแต่ว่าเราอาา่านผ่านพระคัมภีร์นั้นเราพบว่า ตัวพระพุทธเจ้าก็คือค่ายังเป็นเจ้าชายอย่เหมือนเดิมแถมเติมไทเปทนมาสมเด็จไม่รู้ใครแต่งตั้งให้ท่านนะเป็นสมเด็จเพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็เลยกลายเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมครับจริงๆถ้ า, ามองพุทธวัตรผ่านทางกระบวนการพัฒนาชีวิตเราจะได้แง่มุมหนึงครับในแง่มุมที่กลายกลับฉับลันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดครับเดี๋ยวดูาศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นหลัก พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทรงสร้างมนุษย์จากฉายาของพระองค์ดังนั้นพวกเราทุกคนเป็นหยดหยาดของพระเจ้าดังนั้นเราเหมือนกอับหยาดเมื่อพูดถึงพระเจ้าก็พูดถึงมวลมนุษย์มวลมนุษย์กับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันผมพูดอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นฮินดูแล้วก็มางดาฮินดูกันอยู่ก็วังโจมตีาศาสนาที่มีพระเจ้าอยู่ผมไม่รับผิดชอบครับผมไม่อ่านรับผิดชอบกับการเป็นชาวพุทธของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แล้วมาล้มล้างความจริงที่เรารู้สึกได้ความรับผิดชอบต่อชาญชาพุทธต่อคณะสงฆ์ต่อพุทธศาสนาควรจะเป็นเรื่องอยู่ในขอบเขตที่จำกัดถ้าเกินการขลังศ า, าสนาคสิ่งีต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นคือมนุษยธรรมผมไม่เชื่อเลยว่าพุทธศาสนาจะปกป้องโบทของตัวโดยไล้มนุษยธรรมถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะเลิกนับถือพุทธ การที่เรานักพิวุสนาเพราะเรารู้สึกขึ้นมาว่าพุทธศาสนาเป็นสากนเป็นความจริงแท้บริสุทธิ์สะอาดถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะไม่หวัดกลัวครับที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์คุยกับศาสนิกอื่นในฐานะที่แสวงหาสันกิภาพร่วมกันผมลังเลที่จะบอกว่าการที่สมาคมฮินดูเชื่อเชิญคณะสงฆ์นั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือมีเจตนา ผมเคยไประชุมกับสถาบันเหล่านี้เขาก็เขาก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นก่อนที่เราจะบรนดาลใครใ ห, ให้เราต้องค่อยครวญให้รอบคอบนะเราไม่เพียงในปกป้องาศาสนาของเราแต่เราต้องปกป้องหัวใจเยี่ยงมนุษย์ของเราเป็นประถมคือเราต้องเป็นคนที่ดีก่อนก่อนที่เราจะปกป้องาศาสนาที่ดีได้ไม่เช่นนั้นเราไปจัดกองทัพไว้ลบกับใครก็ได้ครับจ่างมือปืนไว้ฆ่า ใครจะมายามพุทธศาสนาเราทําอย่างนั้นไม่ได้ครับความเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าความเป็นชาวพุทธผมเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่เป็นชาวพุทธครับดังนั้นสิ่งสาคัญมากเนี่ยอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นชาวพุทธถ้าความเป็นมนุษย์นั้นเตลียนเปลี่ยมเขาเป็นชาวพุทธที่ดีได้ครับโดยที่แม้ว่าเขาไม่เปลี่ยนศาสนาเลยเขาไม่ได้อ้างตัวเลยเขาไม่ได้ถือศีลแต่เขามีชีวิตที่ปกติและมีความรู้สึกที่ดีงามครับ ผมจะแสวงหาครํราแนะนําของศาสนธรรมอันประการหนึ่งว่ามีชีวิตที่ปกติและดีนามไม่จําเป็นต้องปั๊มลงไปเป็นคริสต์ที่เป็นคุทธที่เป็นมุสลิมหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับย้อนกลับไปสู่เรื่องกลายกลับฉับลังครับซึ่งผมคิดวเป็นเรื่องใหญ่ที่เชื่อว่าจะมีการเข้าใจผิดแล้วเมื่อเข้าใจผิดเสร็จแล้วนะครับกรารปฏิบัติ คนนำไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆนานาผมจะอุปมาอีกจักอย่างหนึ่งนะครับสมมุติมีชายผู้หนึ่งมีเวทมนต์ที่สามารถเสกตัวเองให้กลารรรยเป็นสัตว์เดรัจฉานได้สมมุติท่านั้นนะเดี๋ยวห า, วาผมเชื่อไสยศรรยาสตร์เพียงสมมุติขึ้นมาว่าเขามีเวทมนต์ที่แล้วแล้วเขเผลอสังวัทยายมนต์จนกระทั่งเขากลายเป็นเสือเอาลทธิ์ของมนต์นั้นทําให้เขาซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเน่ยนะเป็นเจ้าของ เวียนเจ้าของอิทธิฤทธิ์ต น, นั้นต่อมาเผลอตัวไลม่มวลลืมตัวกลายเป็นเสือโคร่งขึ้นมาต่อจากนั้นเขาก็จะพัฒนาความเป็นเสือโคร่งจงนกระทั่งเสือโคร่งสิ้นชีวิตหรือว่าเขาควรจะกลายกลับฉับพลันกลับมาเป็นมนุษย์นี่เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าความรู้ที่เราสะสมจากความทรงจามันมากมายนะั้นเป็นปัญหาหรือเป็นคุณนูประการ คนมีความคิดมากเรียนมากทรงจำไว้มากในแง่นหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะอธิบายโลกและชีวิตได้มากแต่ว่ามีสักท่อยคําเดียวหรือเปล่าครับที่โลกต้องการคําอธิบายดูเหมือนว่าเมื่อท่อยคําความคิดในเชิงอัธยาิบายต่อชีวิตจบสิ้นลงแล้วแหละชีวิตจะแสดงตัวออกมาเออข้อที่จริงอันนี้มันเรื่องแปลกอยู่นะครับตรงที่ว่าตรงที่ว่า คำพูดมากมายที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นได้กลายเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแต่เป็นอาวุธที่ร้ายประสิทธิภาพที่สุดต่อการเข้าถึงความจริงที่นอกเหนือตัวมันแต่ดังนั้นวันที่พี่เจ้าท่านตรัสรู้นั้นท่านทรงเข้าถึงสิ่งที่ถ้อยคําไม่อาจแตะต้องได้ทรงตรัสเรียกมันว่าอวญากะตะธรรมธรรมะซึ่งอยู่เหนือทีถ้อยร้อยเลียงทั้งหมด นั้นในบทมาติกาเนะครับกุศลธรรมะกุศลธรรมะอวยากตาธรรมะเสิ่งที่อยู่เนื้อทั้งตีทั้งชั่วทั้งหญิงทั้งอย่างทั้งบวกทั้งลบมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่แล้วตรงนั้นคือผลิพานครับนั้นถ้อยคํามีประโยชน์ไม่มากครับถ้อยคําสําเร็จประโยชน์เมื่อมันได้บอกว่าอะไรคืออะไรและต้องค้นหาที่ไหนและอย่างไรแต่ถ้าเกิดการเข้าจติดขึ้นเช่นเกิดค้นหาความหมายในถ้อยคําขึ้น ก็กลายเป็นในรูปดิสการดังที่เซนล้อเรียนว่าเมื่อใครสักคนหนึ่งชี้ให้ดูพระจันทร์ด้วยนิ้วมือผู้ดูกลับไปดูที่นิ้วมือขึ้นมาเขาจะพลาดพระจันทร์ทันทีครับแล้วค้นหาบ้านเมืองในแผ่นป้ายสมมติว่าเราไปที่เมืองหนึ่งเราไม่เคยไปแล้วเห็นแผ่นป้ายเขียนบอกไปทะเลคิดว่าทะเลอยู่ในแผ่นป้ายทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่เลยครับความสับสนเกิดขึ้นกับศา ส, สนิกแทบทุกศาสนา กมุสลิมคลิสหรือพุธ ท, ที่พยายามอ่านโลกและชีวิตผ่านทางพระคัมภีร์ราวกับว่าพระคัมภีร์เป็นทั้งหมดผิดจากพระคัมภีร์แล้วไม่ใช่ความจริงโอ้ช่างเป็นเรื่องนี้น่าเศร้าอะไรอย่างนั้นครับคัมภีร์กับความจริงมันเทียบกันได้ที่ไหนครับความจริงนั้นไม่อา่านมีคัมภีร์ไหนบันทึกไว้ได้เลยครับคัมภีร์นั้นเป็นอาหารของปลวก แต่ความจริงนั้นทุกๆคนเป็นอาหารขอความจริงความจริงมีอยู่ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าหรือกษัศาสดาทุกองค์จะถือกําเนิดมหมองพระพุทธเจ้าเองทรงตรัสเช่นนี้นะครับว่าสถาพจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามความจริงอันั้นมีอยู่แล้วท่านเพียงผู้เปิดเผยที้ทางว่าความจริงมีอยู่แล้วอย่างไรเท่านั้นเองและความจริงอันนั้นแม้เราจะเป็นชาวบ้านเล็กๆคนหนึ่งนะแต่ผมอยากให้เชื่อว่าความจริงนั้นเรามีส่วนร่วมอยู่ เราไม่ได้แตกต่างจากพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นสติเรายังไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ใช่เราไม่มีเราไม่เป็นอันนั้นด้วยเห็นนี้ครับความข้าหา่นั้นสูงสุดของพระเจ้าที่นําท่านมาถึงใต้เทนโพและทรงร้องอุทานถ้อยคําซึ่งลุ่มลึกที่สุดว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายคือพระศาสนาคือท่านกับสัตทั้งหลายเป็นอันเดียวคือชีวิตเดียวในพุทธศาสนานั้นมีสอง องค์ซึ่งถือองค์ธรรมนะครับที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือปัญญาและกรุรณาโดยพฤติกรรมรวมๆแล้วชาวพุทธผู้นับถือพระเจ้าหรือถึงพระรัตนตรยเป็นที่พึ่งนั้นย่อมทำเมตตาเป็นจุเรจาริกไปแห่งหนึําตะวันใดก็ถือเมตตาเบื้องหน้าเหมือนโคมที่สองทางแต่เมตตาสัมพันธ์อย่างไรกับปัญญาแท้ที่จริงเมตตาบัญญานั้น เป็นเหรียญสองหน้าของเหรียญอันเดียวปัญญาที่รู้เห็นว่าชีวิตทั้งมวลเป็นของกันและกันเป็นหยดหยาดของพระเจ้าชีวิตทั้งหมดคือความรู้สึกตัวได้ของสิ่งมีชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้นี่คือปัญญาและนี่คือเมตตาเมื่อรู้ซึ้งอย่างนี้แล้วน้ําจิตน้ำตํำตจจะเริ่มไหลหลัง่งเห็นผู้อื่นเหมือนเห็นตนเองเห็นสรรพสัตว์ก็คือเห็นตัวเอง ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความทรงจําเป็นการทําลายหักแหลกลงของครอบจักรจันหรือดักแด้แล้วกลายกลับฉับพลันเลยเป็นผีเสื้อเราทุกคนปฏิบัติธรรมะเหมือนเสือติดจันทรใช่หรือเปล่าครับยิ่งคนยิงจริงจังเท่าไหร่ยิ่งเหมือนเสือติดจันทรเดินจงกลมแล้วแล้วเลาเล่ารักษาศีลกินเจปวดเสียนเวียนข้าวการพยายามที่จะให้สะอาดบริสุทธิ์พยายามที่จะให้หลุดพ้นม่ให้จองได้ ไม่ต้องพูดถึงก่อนไม่ปฏิบัตินะฮะแต่แม้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเสือติดจันอยู่ดีครับเพราะเราพยายามทิ้นตนที่ให้เสือตัวนั้นเป็นเสือที่สมบูรณ์พจริงเสือมันเกิดจากเวทมนต์เท่านั้นครับตัวตนนั้นเป็นเพียงเวทมนต์ของความผิดพลาดกล่าวได้ว่าตัวตนคือไสยศาสตร์ตัวเองครับดังที่ผมได้ยกตัวอย่างหลายครั้งหลายหนว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นใครคนหนึ่งเมื่อยืนตาหน้าแม่เรารู้สึกว่าเราเป็นลูก ยืนต่อหน้าลูกเรารู้สึกเป็นแม่ดังนั้นความคิดรวบยอดที่ว่ามีตัวเราอยู่นั้นที่จริงมันเป็นรีเฟล็กต์เป็นภาพสะท้อนเท่านั้นครับไม่มีมูลความจริงใดๆที่จับยึดได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมรับทราบมาเรื่อๆนี้นะครับว่านักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาตั้งร้อยปีแล้วครับโดยเฉพาะจิ ต, จตแพทย์นักสมองวิทยาครับขอโทษนักสมองวิทยาใช้เวลาเกือบร้อยปีแล้วในห้องแล็บ เพื่อจะค้นหาได้ว่าความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวตนนั้นตั้งถิ่นอยู่ตรงไหนในโครงสร้างของสมองโลเคชั่นของมันนะฮร้อยปีนั้นได้รายงานให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าหาไม่พบผมตอบได้เลยว่าหาไม่พบเพราะมันไม่มีครับที่หาไม่พบเลยเพราะมันไม่มีมันเป็นภาพสะท้อนลอยๆแต่นั้นเองนี้ ภาพสะท้อนลอยๆซึ่งไม่มีข้าเงื้อไม่มีเนื้อหาที่ดำรงอยู่จริงๆนั่นเองได้กลับกลายมันไสยศาสตร์เป็นคุณทางไสยศาสตร์ครอบงำชีวิตเราทำให้เราบ้าคลัง่งตัวตนทั้งๆใ้ตัวตนไม่มีทำให้เราบ้าคลั่งชาติของเราทันั้นตัวตนของเราก็ไม่มีดังนั้นพระเจ้าประกาศว่าคนพูดว่าทรัพย์ของเรามีบุตรเรามีลูกเรามีพูดมาได้ยังไงเมื่อตัวตนของตนยังไม่มีเลยแล้วอะไรมันจะมีได้อย่างไรกัน คำพูดเชนนี้น่าสะลพรว่ากครับสําหรับผู้ที่มีตัวตนแล้วแสวงหาทรัพย์สินลูกเมียมาเสริมสร้างตัวตนจริงหรือเปล่าครับที่เราหาที่ดินแล้วก็ติดป้ายชื่อเอาชื่อสกุล ข, ของเราไว้เรามีเมียเพื่อจะมีลูกเพื่อให้ตัวตนของเราคงอยู่โดยเฉพาะคนจีนเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับที่ไม่มีลูกสืบสกุลเรถือลําบากแล้วสิ่งที่เรียกตัวตนนั้นนะฮะเป็นเพียงภาพสะท้อนดังผมได้ยกตัวอย่างว่ามันเหมือนภาพ ที่ฉายด้วแสงเรเซอร์สังเคราะห์ขึ้นโดยไม่มีจอตกกระทบไม่มีจอรองรับมันปรากฏจากการสังเคราะห์ของมันเองมันเป็นรีเฟล็กเป็นแสงสะท้อนไม่ใช่แสงจริงครับแต่ว่าตัวจริงก็คือธรรมชาติตัวตนที่ทอนขึ้นนั้นนะครับก็เหมือนเสื้อตัวสวยๆซึ่งถักทอจากเส้นได้ของฝ้ายมันเป็นเรื่องเป็นราวทางวัฒนธรรมมาเดียวเป็นจริงเป็นจังทีเดียวครับ ใช้มาดา่าคนที่ชื่อโควิดที่นั่งมาข้างหน้านี่มันคงจะโกรธอัจะนาแดงในท่อสู้ใหญ่ทั้งๆไม่มีพระไม่มีความหมายอะไรเลยเราทุกคนไม่มีชื่อครับถ้าจะเรียกทุกชื่อเดียวรวมทุกคนคือชีวิตส่วนที่เป็นกอขอกงนั้นเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในการดํารงอยู่ร่วมกันในการแบ่งปันทรัพย์สินขอบเขต ท, ที่ดินรั้วบ้านอะไรเหล่านี้ครับ ความจริงสมมุติขึ้นมาเหล่าเนี้เป็นความจริงที่สมมุติขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาในแวดวงมนุษย์เองในอาณาจักรของมนุษย์เองในสังคมมนุษย์เองได้กลายเป็นความจริงแท้ขึ้นมาแล้วครอบงําความจริงของธรรมชาติหมดสิ่งถ้าจะถามมาถ้างั้นเราคือดินหรือเมื่อเราไม่ใช่นายกอแล้วเราเป็นดินน้ําไฟลมรือแม้จะดินน้ําไฟลมก็เป็นสื่อสมมติสิ่งที่เราเรียกดินนั้นที่จริงไม่ใช่ดินครับเรียกให้ถูกที่สุดก็คือ นั่นคือสิ่งไม่ใช่ดินและนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ไฟนั่นสิ่งไม่ใช่ลมและที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือไอ้นั่นามไอ้นั่นคือไอ้นั่นคือมันไม่ใช่อันอื่นอย่างนีนครับถ้าคำวันนี้ที่พระเจ้าคลางครูมาจากพระโอษฐของท่านว่าสิ่งนี้เป็นตะทตาเป็นอนันตัญตัตมันเป็นของมันอย่างนั้นและมันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นดูคล้ายๆคนที่เสียจริตพูด ก็ไปเห็นสิ่งจริงแท้ดั้งเดิมเข้าครับตรงนี้เองที่ําให้นคนพัฒเทินในสมองซึ่งถูกโปรแกรมพฤติกรรมต่างๆถึงเนื่องจากความทรงจำที่มีศูนย์รวมที่ตัวตนนั้นเกิดละลายขึ้นมาเกิดสิ่งที่เรียกกลายกลับฉับพลันเรียกว่าม t เตชันได้ไหมครับการกลายพันธุ์ขึ้นมาจากหนึ่งกลายเป็นหลากหลายขึ้นมาพูดถึงมูเตชันในทางชีวภาพนะครับถ้าเรายืนายนักเกษตร ที่ต่อการรักษาคุณสมบัติของพืชพันธุ์หนึ่งวัยเนี่ยสงวนลักษณะของมันไวการกลายพันธุนก์กลายเป็นนิเกติฟเช่นพันธุ์ข้าวของเรากลายเหมาอนนอย่างนี้เราถือว่าเราเสียแต่ถ้ามองด้วยสายตาธรรมชาติทั้งหมดการกลายกลับฉับพลันไปสู่ความหลากหลายมีหลายวาเระที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยครับเพื่อจะคงอยู่ชั่วนในิรันดอนจึงเหมือนถ้อยคําที่ใครก็ไม่รู้พูดเลยว่า ถ้าท่านจะฝากน้ำทั้งหยดหนึ่งไว้ท่านควรจะไปฝากไว้กับมาหาสมุทรคือมันจะอยู่ตลอดไปเมื่อพระเจ้าทรงร้องอุทานว่าแท้ที่จริงสรรพสัตว์ทั้งหลายคือพระประถาคต์ถาคตคือสัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นคําประกาศเอกภาพของมวลมนุษยชาติครับท่านไม่ได้ประกาศเฉพาะชาวอินเดียหรือผู้ที่เชื่อฟังท่านเท่านั้นรวมผู้ที่ไม่เชื่อท่านด้วยครับ ดังนั้นเองนะครับความรู้มีสองอย่างแล้วความยุที่เกิดจากการสั่งสมแบบ r ร d ดู l แผ่ขยาย Perception ่นเกิดพลังใช้พลังจินการในการอย่างรู้เรื่องต t มิ i c s t r u เจ u r e ก็ดีในทางวิทยาศาสตร์หรือในทางค o s ม o โล g ีในทางจักรวาลวิทยาก็ดีนี่ไม่ใช่หนทางพุทธศาสนาเป็นการแผ่ขยายเพื่อความรอบรู้เท่านั้นครับผมไม่ได้บอกว่าความรู้แบบนี้ผิด แต่ความรู้ชนิดนี้ไม่ได้อยู่ในเคลือของความรู้ที่ทำให้ตื่นขึ้นอันแรกผมเรียกว่าโ e เล e ซึ่งลากฐานมันคือความทรงจำอันหลังผมจะเรียกว่าโนยิงโน n ิงเนสอาการตื่นและอาการรู้แจ้งซึ่งไม่เกี่ยวความทรงจำครับและดูเหมือนเมื่อความทรงจำสิ้นสุดลงตัวมันเองจะปรากฏเต็มรูปเรื่องถ้าเจ้าชายสิท ธ, ธิศา ไม่อาจอยังไม่พ้นอิทธิพลความทรงจําของประสบการณ์ครั้งนี้ท่านเป็นเด็กครั้งนี้ท่านเป็นหนุ่มในเรื่องของเพศคดีในเรื่องศกักดิ์รศรีของพระราชาคดีในเรื่องความสุขสําราะคดีการรู้แจ้งยังไม่เกิดขึ้นครับและนั่นถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์ไว้ที่ใต้จันโผคือมานพระชนเป็นฉากสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่คัมภีร์ฝ่ายว่าเราบอกว่าพวิเจ้าทรงต่อสู้มาก แต่ที่จริงท่านไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากอาธิษฐานเอาเลือดเอาเนื้อกระดูกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะไม่ลุกเป็นองกาศจนกว่าจะรู้เท่านั้นเองในสุดพิยามานก็ปรากฏขึ้นการรู้แจ้งของพระเจ้านั้นไม่ใช่อัจฉริภาพส่วนพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ามีความเก่งกาจดีเนียสเหมือนนักพิชาการนักประสา์และนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งอาศัยพื้นควารู้แบบแกระดูล แต่การสอบสวนของพระเจ้านั้นเกิดจากการช่วยเหลือของบารมีซึ่งสั่ง颂 ม, มาอย่างละกลับเกิดจากการช่วยของแม่ธรณีครับช่วยเกิดเหตุการ์กลายกลับช็อพรันขึ้นมาแทนที่จะเป็นพระผู้ถูกมารประจนกลายผู้ประสบชัยชนะเพราะดันั้นหลังจากนั้นองค์ท่านเรียกตัวเองว่าพระชนะผู้ชนะศึกแล้วครับศึกนี้ชาวพุทธทั่วโลกรู้จักกันดีในนามของ สึกมารวิชิตครับมารวิชัยสึกชนะมารซึ่งก็สร้างพระพุธรูปปังที้ธรณีพฤษสมุทรากี้แม่ธรณีเป็นสกีพยาน ว, ว่าท่านจะสู้ไม่ถอยแต่ท่านไม่ได้ทําอะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงวินาทีที่สําคัญที่สุดที่ความรู้เก่าถูกล้างออหมดสิน้นความรู้ใหม่เขาประดังประเดชเข้ามาถ้าว่าความรู้เก่าซึ่งเกิดจากความทรงจํา ยังไม่ถูกล้างการกลายกลับสัพพันย์จะเกิดขึ้นไม่ได้สัญญาณนี้เกิดขึ้นกับองค์ท่านก่อนหน้าที่จะมานั่งใต้ต้นเป ร, รีมหาโพธิ์คือตอนที่ท่านเริ่มลุยน้ําข้ามแม่น้ําในลําฉลาหลังจากฉันปายาตของนางสุจดาแล้วก็ลอยถาดที่เรียวเสียงบารมีนะครับมีสัญญาณเตือนขึ้นมาในจิตสํานึกขององค์ท่านจนกระทั่งถาดที่ลอยทวนน้ํานั้นไม่เป็นถาด ในลันชลาก็ไม่ใช่แม่นะคแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ลุ่มลึกมากกว่านั้นครับท้ายผมตีความก็คือสายน้ำก็คืออารมณ์กระแสของอารมณ์คือความคิดที่หลายเนื่องเชี่ยวซึ่งหกปีของการแสวงหาของเจ้าชายนั้นท่านทำพลาดท่านเข้าไปในกระแสความคิดตลอดเวลาทัานใดนั้นเมื่อถาดลอยทุนน้ำมันใชเหตุบังเอิญหรือเรื่องง ก, ก็ไม่รู้นะคแต่ปรากฏกับองค์ท่านว่า ท่า น, นั้นต้องทวนไปสู่ก่อนหน้าที่มันจะเกิดก่อนหน้าความเกิดไม่ใช่ในกระแสงความเกิดหลายครั้งในห้องนี้นะครับผมระบุถึงว่าภาะวะก่อนเกิดและหลังตายนั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้แต่ไม่มีใครยืนยันเพราะสิ่งนี้ไม่อาจรู้ร่วมกันได้เมื่อพระสังคเรตปรินายกองค์ที่หกของนิกายเซนที่ชื่อไว้หลัง แต่รับมอบตำแหน่งสืบทอดเป็นพระสังฆนิกายจากสังฆบุรุษองค์ที่ห้าแล้วท่านก็นหนีภัยเพราะพวกพระที่ใจร้ายต้องการไปฆ่าท่านเพื่อจะเอามรดกตกทอดคือบาดและจีวรของพระสมมติเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าถูกตายเข่าแต่ทางสายนั้นพิกสุรุ่มหนึ่งชื่อไวยมิงเป็นคนที่สกด ร, รอยเก่งที่สุดเมื่อจวนเจียนเข้าพระสังฆนิกวยหลางก็วางบาดแล้วก็บอก พูดถ้อยคําหนึ่งว่าเราเป็นหนี้ท่านด้วยบาปแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจำไม่แม่นนะไม่ใช่จุดที่ผมจะเล่าแต่ภิกษุรู้นั้นก็กราบก้มกลงกราบซึ่งท่านยังเป็นอุบาศก์นะท่านไวยล่างเป็นบาศกพระภิกษุไวยมิงก้มกราบแล้วก็ถามบอกว่าผมไม่ได้มาเพื่อบาปเราเรียกท่านว่าน้องชายผมมาเพื่อให้สอนว่าธรรมะจริงๆคืออะไรปฏิบัติจริงๆคืออะไรท่านไวยลางเห็นว่าพระภิกษุไวยมิงต้องการธรรมะจริงๆ ก็เตือนให้เลิกคิดถึงสิ่งดีหรือสิ่งชั่วให้อยู่เหนือการแยกแยะว่าดีหรือชั่วซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการมูเตชันนะครด้วยความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอยู่เหนือการแยกแยะว่าดีชั่วบุญหรือบาปแล้วลำดับถัดไปท่านไวลังบอกว่าถ้าฉชนั้นท่านจงถอยกลับไปสู่ก่อนหน้าที่บิดามารดาของท่านจะคบกันคือก่อนเกิดนั่นเองครับ <S <S จิตสำนึกของก่อนเกิดมันจะคงเป็นจิตสํานึกอยู่หรือเปล่าครับ อย่าถามสมองครับถามก็ไปที่หัวใจของตัวเองว่าก่อนความเกิดก่อนความคิดเกิดคืออะไรช่องว่างระหว่างความคิดคือก่อนหน้าที่ความคิดจะต่อเนื่องขึ้นคืออะไรแต่ถ้าเราถามว่าเอ้มันคืออะไรนั่นคือความคิดครับดังนั้นจุดที่เรากำลังหักด่านไปคือไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชด่านสมุดประการหรือด่านเจดีสามองค์อะไรไม่ใช่นั่นนครับ คือด่านของความคิดปรุงแต่งพระพุทธเจ้าไม่เข้าปไัยเรื่องนี้มาตั้งหกปีนะครับเมื่อท่านออกบวชแต่ท่านสังสมประสบการกระดวนมาเรื่อย ส, สังเกตมาเรื่อยคิดนึกมาเรื่อยแต่ก็ไม่สามารถทาความหลุดพ้นในตัวเองได้จงกระทั่งมาทรมานตนก็ไม่อาจบรรลุสิ่งต้องการจริงๆได้ในส่วนลึกที่เจ้าชายต้องการนั้นนับอล้ำเลยถ้าท่านต้องการต่าเตี้ยกว่านี้ท่านจะจบสิ้นแล่ ท่านจะต้องการแค่จิตสงบเพราะครูสองคนท่านสอนได้หรือต้องการยิงชื่อเสียงให้ระบือลือวลั่นไปในอินเดียนะท่านก็นจะฝังตัวเองไว้เท่านั้นเนีบดันั้นเจ็ดจำงที่ท่านเกิดมาเพื่อถึงที่สุดนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากครับผมคิดว่าแม้จะแปลกเท่าใดก็หาแปลกสาหรับทุกคนไม่ครับทุกคนมีหลุมลึกของความปรารถนาที่เล่นลับอยู่และส่วนนั้นเองที่ทำให้บางครั้งเราเมินหมองกับลูกกับเมียไม่อยากเขามาแตะในส่วนไหน และกลารเป็นจุดที่บุคคลรอบข้างเข้าใจลําบากที่สุดมันคือเจตจำนงที่จะไปให้ถึงที่สุดของชีวิตดวงกลางคนเช่นนั้นจะเลื่อนลอยเมื่อต้องผัวพันกันโลกในความสุขสําราญจะกลางความทุกขส์สําหรับเขาในความทุกข์จะกลางความสุขสําราญในการถูกทอดทิ้งกันโดดเดี่ยวกลางความพอใจนี่คือสัญญาณเดินทางไกลเจ้าชายนั้นเป็นด้วยอาการเช่นนี้อยู่ตอนเป็นหนุ่มเป็นเด็กหนุ่ม เื่อเห็นสัญญาณเทวทูตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งคงไม่เห็นครั้งเดียวนะครับพระองค์ท่านทรงปิด ป, ปากเงียบเมื่อถามฉันนาว่าสิ่งนี้เกิดกับพระบิดาด้วยหรือเปล่าคือท่านท่านลืมตัวเองนะเป็นคุณสม บ, บัติที่พิเศษของคนคนหนึ่งซึ่งคิดถึงตัวเองหลังสุดนี่เป็นหลักที่สําคัญมากครับถ้าถามว่าสิ่งนี้เกิดกับพระบิดาด้วยหรือไม่เกิดกับพิมพาราหุนด้วยหรือเปล่าและถาม สุทายทถาว่าเกิดกัท่านด้วยหรือเปล่าเพรอะนะรายงานบอกว่าไม่มีใครพ้นพระองค์พระองค์ท่านท่านนิ่งไม่พูดรับสั่งให้กลับราชวังทันทีคุ่นคิดใคล้ายควรจ่ายจองถึงอะไรบางสิ่งซึ่งเราความรู้สึกด้านในสุดเจ็บจม่งถึงแฝงเร้นอยู่หลายภพชาติแล้วที่จะไปให้ถึงที่สุดของความเกิดแต่พระองค์ท่านเขาเ้าสติคิดว่าจะไปให้ถึงสุดสายป่าของความเกิดเปรียบประดุลยเดชสั่งสมความรู้ จนกระทั้งดักแด้เป็นดักแด้ที่สมบูรณ์ขึ้นมาหกปีของการเล่ร่อนในจรท่นคุ้นคิดอยู่ทางนั้นก็มาหักแหลกลงในวันที่กําลังจะข้ามแม่น้ําในลำฉลาท่านประจักชัดมาท่านผิดพลาดทั้งหกทั้งหกปีที่แล้วมาเดินสายความคิดผิดเจ็ดจนงที่จะเป็นดักแด้ที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่พดังนั้นเองถาดที่ลอยชวนน้าแล้วไปจมที่ต้นน้ํานะครับปรากฏโปรงท่านเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่ใช่ทางด้านกายภาพนั่นคือช่องทางที่ไปทวนกระแสให้ถึงก่อนหน้าความคิดจะเกิดหรือก่อนหน้าความเกิดไอจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการกลายกลับจับพลันครับดังนั้นเมื่อท่านเข้ามานั่งที่ใต้ต้นประศรีมหาโพล ก, การกระทำครั้งใหม่เอี่ยม